หัวข้อตัวแปรภายใน 1. การรับรู้การรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีความสำคัญมากเช่นถ้าคุณเห็นเชือกในที่สลัวแล้วเข้าใจว่าเป็นงูหยิบจอบมาสับหวังให้ขาดเป็นสองท่อนตายคาที่เมื่อสับจอบลงไปแล้วเชื่อขาดสองท่อนก็ถือว่าก่อกรรมข้อที่ว่าด้วยการฆ่าสัตว์แล้ว ดูได้จากจิตที่มีความโหดเหี้ยมหนักแน่นมีความมืดอันเกิดจากการคิดลงมือประหรัตประหารเต็มเหนียวอย่างไรก็ตามเชือกไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแม้ถูกสับขาดสองท่อนก็หาได้มีรูปชีวิตใดแตกดับลงไปไม่กรรมที่ทำจึงไม่ครบวงจรไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าเพียงแต่เป็นผู้คิดและลงมือฆ่าสิ่งไร้ชีวิต การสับจอบด้วยความเข้าใจผิดครั้งนี้คุณเป็นผู้เพิ่มความเยี่ยงเกลียมให้กับจิตที่ปลิดชีวิตอื่นได้ลงคอแต่ยังไม่ใช่เพชฌฆาตฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่กรรมผลิผลก็ย่อมไม่ให้ผลแบบเดียวกับที่คุณฆ่าสัตว์ตายลงไปจริงๆเช่นคุณอาจต้องไปเกิดในถิ่นคนเถื่อนแต่จะไม่ตายด้วยการโดนใครเอาขวานจามตัวขาดสองท่อนเป็นต้น ในทางกลับกันแม้ว่าสัตว์จะมีชีวิตอยู่จริงแต่คุณเห็นในที่สลัวแล้วนึกว่าเป็นเชือกคิดว่าสับด้วยจอบให้ขาดเล่นได้ไม่เป็นไรพอลงมือสับจอบจึงเห็นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตดิ้นกระแดวกระเดวกลายเป็นงูที่ต้องตายทรมานด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของคุณอย่างนี้คุณได้ชื่อว่าเป็นเพชฌฆาตแต่ไม่ใช่ผู้มีจิตใจเยี่ยมเกียมที่สามารถปลิดชีวิตอื่นได้ เพราะกำลังใจในการสับจอบเกิดจากการเลงไว้ว่าสิ่งที่จะสับคือเชือกคุณจะตัดเชือกไม่ได้เลงว่านั่นเป็นชีวิตคุณจะตัดชีวิตจะเห็นว่าถ้าการรับรู้คือเชือกต่อให้คุณตัดมันเป็นสองท่อนก็ยังไม่ได้ทำกรรมข้อที่ว่าด้วยการตัดชีวิตเลยแม้แต่น้อยนี่แหละคือตัวแปรที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในการก่อกรรม สองเจตนาตั้งต้นต้องดูก่อนเลยว่าหวังดีหรือหวังร้ายและการที่จะดูว่าหวังดีหรือหวังร้ายก็ต้องพิจารณาจากความรู้อยู่แก่ใจหรือคาดหวังไว้ล่วงหน้าว่าทำอะไรลงไปควรจะเกิดผลกับใครอย่างไรแค่ไหนบางทีแม้ผลลัพธ์อาจไม่ตรงกับเจตนาแต่เจตนาก็ปรุงแต่งจิต ให้เป็นสว่างหรือมืดเรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างเช่นอุตสาดักรอคนแก่ตั้งใจแกล้งคำราเหมือนผีหลอกให้คนแก่ตกใจตา ย, ตายเพื่อฮุบสมบัติแต่ปรากฏว่าคนแก่รู้ทานลวงหน้านอกจากไม่ตกใจยังหัวเราะขบขันในท่าทางของปีศาจกรรมลอสรุปคือเจอตนาฆ่าให้ผลเป็นความบันเทิงแก่เหยื่อไป แม้คนแก่จะไม่ตายและกลายเป็นได้ขำแต่อย่างไรเจตนาตั้งต้นนั้นก็ยังคงเป็นความจงใจฆ่าเป็นอากุศละจิตขั้นรุนแรงคือได้ตัวตั้งในการทำปานาติบาตแล้วเพียงแต่ยังไม่จัดเป็นปานาติบาตโดยสมบูรณ์เนื่องจากการฆ่าไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็หมายความว่าแม้ไม่ต้องรับผลจากปานาติบาตแต่ก็ได้ชื่อว่าทาบาปด้วยใจแล้ว และเป็นระดับรุนแรงมากด้วยขอให้คำนึงว่าวิญญาณเพชฌฆาตได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆแม้จะยังไม่เป็นเพชฌฆาตอย่างสมบูรณ์แบบก็ตามตัวอย่างดังกล่าวคงทาให้เห็นได้ชัดเกมกรรมอาศัยจิตนาตั้งต้นเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็นบุญหรือเป็นบาปเกมกรรมไม่ได้ดูว่าผลที่เกิดกับผู้ถูกกระทาเป็นอย่างไรเช่นในตัวอย่างข้างต้นนี้ ไม่ใช่ว่าได้ผลเป็นบุญที่ช่วยให้คนแก่หวเราะแต่ผลจะเป็นบาปอันเกิดจากเจตนาฆ่าอีกตัวอย่างหนึ่งคงเห็นว่าคนเรายิ่งมีตัวตนซับซ้อนขึ้นเพียงใดจิตใจก็ยิ่งดูยากขึ้นเพียงนั้นอย่างเช่นนักการเมืองระดับดาวสภาที่ฝึกพูดฝึกสำรวมกิริยาท่าทางดีมากดูสุภาพนุ่มนวลสงบนิ่งไม่หวั่นไหวง่ายกับทั้งสามารถผูกคาพูด เต็มไปด้วยเหตุผลน่าเชื่อถือกระทั่งเหมือนรักประเทศต้องการเสียสละเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ออกมาจากใจจริงแต่เมื่อส่องดูบางพฤติกรรมคนรู้เห็นก็อาจสงสัยว่าใจจริงหรือตัวตนที่แท้ จ, จริงเป็นอย่างตอนออกโทรทัศน์แน่หรอเพราะก็เหมือนคนธรรมดาที่ต้องการเอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเท่านั้นหากเล่งกันที่จิตว่าค่อนไปทางมืดเพราะโลภหรือค่อนไปทางสว่างเพราะเสียสละ ก็จะตัดสินใจได้ทันทีว่าเจตนาหลักอันเป็นฐานตั้งของเจตนาอื่นๆนั้นสว่างหรือมืดกันแน่สำหรับนักการเมืองที่สร้างความเชื่อถือได้ในระดับประเทศนั้นหากหวังร้ายอยากกอบกวนจากชาติบ้านเมืองอย่างเดียวก็ยากที่จะมีสง่าราศีอย่างน้อยต้องมีความหวังดีกับชาติบ้านเมืองพอจะส่งกระแสให้คนรู้สึกไว้ใจได้บ้างระดับหนึ่ง แต่เวลาประชาชนมองนักการเมืองจะตัดสินด้วยอคติว่าเลวล้วนๆหรือดีล้วนๆขึ้นอยู่กับรักหรือเกลียดใครเป็นการส่วนตัวดังนั้นจึงประสบกับความสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเมื่อพบว่าพฤติกรรมของนักการเมืองไม่เป็นไปตามที่คิดพอเกลียดใครหรือผิดหวังใครก็สาบแช่งให้เขาพินาศเมื่อเขาไม่พินาศก็ผ่านสิ้นศรัทธาก ฎ, กฎแห่งกรรมวิบากไปด้วย ทั้งที่เป็นเรื่องของการมองไม่ครบต่างหากกฎแห่งกรรมวิบากอย่างเที่ยงธรรมเพียงแต่ไม่ตรงใจไม่ถูกกับกิเลสและความใจร้อนของมนุษย์เท่านั้นตัวอย่างดังกล่าวคงทำให้เข้าใจได้ว่านอกจากนักบวชที่มีใจสละโลกแล้วก็ไม่มีใครหวังดีเสสละเพื่อส่วนรวมได้ถ่ายเดียวต้องดูการตามจริงว่าโดยรวมแล้ว โลภเอาเข้าตัวหรือเสียสละตนเองเพื่อคนอื่นมากกว่ากันภาพรวมของชีวิตเขาทั้งปัจจุบันและอนาคตก็จะโน้มเอียงไปตามเจตนาหลักนั้นๆ 3. น้ำหนักของเจตนาเมื่อจับได้แล้วว่าเจตนาเริ่มต้นคือหวังดีหรือหวังร้าย ก็ต้องดูต่อไปคือดีร้ายที่ว่านั้นเอาจริงเอาจังหรือยัง้งยั้งอยู่ตัวอย่างเปรียบเทียบที่คงเห็นได้ง่ายคือคนทั่วไปสามารถบีมดหรือตบยุงได้แบบไม่กระพริบตาเรียกว่าเจตนาค่านั้นหนักแน่นมากแต่หากให้ฆ่าคนกําลังใจจะลดวูบโดยเฉพาะเมื่อทําครั้งแรกต้องสองจิตสองใจไม่กล้าทําเหมือนฝ่าแรงต้านที่ทรงกําลังมหาศาล การที่ยังมีความละอายต่อบาปการที่มโนทํามยังทางานยังมีสำนึกผิดชอบชั่วดีบริบูรณ์นั้นน้ำหนักเจตนาธรรมชั่วขนาดฆ่าคนจะมีกำลังอ่อนเสมอผลของน้ำหนักเจตนาที่อ่อนจะไม่รุนแรงนักเปรียบเหมือนการพุ่งตัวเข้าชนกําแพงถ้าพุ่งเบาก็ไม่เจ็บมากผู้ฆ่าย่อมถูกฆ่าเมื่อฆ่าคนด้วยน้าหนักเจตนาที่หนักแน่น ก็ยอมถูกค่าด้วยวิธีโหดเหี้ยมและเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่กรรมผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยในนรกก็อาจเจ็บป่วยรุนแรงเยียวยายากมากเป็นต้นคนเราทำบาปด้วยความหนักแน่นเพราะเหตุสองประการหลักหนึ่งคือโทสะแรงสองคือไม่รู้ว่าเป็นบาปฉะนั้นจึงทุ่มจิตทุ่มเจตนาเต็มเหนียวแบบไม่ยัง้งด้วยองค์ประกอบสองประการนี้ เพียงโหร้องตะโกนสุดเสียงว่าฆ่ามันฆ่ามันในสนามสู้กระทิงก็เกิดมาหาอากุศลจิตประดับปานาติบาตร่วมกับมือสังหารจริงๆแล้วถ้าหมั่นเชียร์เป็นกิจวัตรก็ต้องได้รับผลเป็นการถอนอายุให้สั้นลงหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วแม้ชั่วชีวิตไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่เลยสักตัวก็ตามในทางตรงข้าม คนเราทำบุญด้วยความหนักแน่นด้วยเหตุสองประการหลักๆ ห, หนึ่งคือเมตตามากสองคือเลื่อมใสในผลบุญฉะนั้นจึงเทจิตเทใ จ, ใจเต็มกำลังหากเป็นคนฉลาดในบุญก็จะไม่ดูเบาและเทใจให้กับบุญเล็กบุญใหญ่เสมอกันไม่ดูแคลนว่านั่นบุญใหญ่นี่บุญเล็กแต่หากยังไม่ฉลาดในบุญก็อาจเพ่งเล็งเฉพาะวัตถุภายนอกเช่นเห็นว่าสร้างวัดได้บุญมาก แล้วไปดูถูกว่าให้สตางค์ห้าบาทเป็นทานชั้นต่ำเลยจะเอาแต่บุญใหญ่หวังผลมากไม่เห็นค่าของการทำบุญเล็กๆน้อยๆพอทำทานขนาดเล็กน้อยจึงไม่ปลืม้มนั่นจะเป็นการทำให้น้ำหนักของเจตนาในการสละออกมีความไม่สม่ำเสมอจิตไม่เป็นทานาจิตเต็มดวงในระยะยาวสำหรับผู้มีทานาจิตซึ่งจะได้รับผลภัยบุญจริงๆแล้ว ยอมทราบว่าการให้นั้นเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ให้และผู้รับไม่ควรตั้งข้อแม้ว่าเป็นทานวันละสูงหรือทานวันละต่ำได้ผลมากหรือได้ผลน้อยเพื่อให้เกิดน้ำหนักของเจตนาที่ดีจึงควรตั้งต้นด้วยความหวังประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นอันดับแรกคือรินเมตตานำแต่ถ้าหวังประโยชน์ตนในการให้ทานก็ย่อมเป็นทานที่เจือด้วยโลภะ น้ำหนักเจตนาอัจเป็นกุศลย่อมเบาลงตามส่วนกล่าวโดยสรุปแล้วจุดสำคัญคืออย่าไปตั้งแง่รังเกียจไม่อยากทำทานที่ให้ผลตอบแทนน้อยๆก็แล้วกันเพราะนั่นเป็นการฝึกทาทานด้วยความโลภเมื่อจิตติดยึดในทานแบบผสมโลภเมตตาย่อมน้อยเมื่อเมตตาน้อยน้ำหนักเจตนาย่อมเบา คนส่วนใหญ่จะสงสัยกันมากว่าถ้าไม่ได้คิดเจตนาจริงจังเช่นผุดคำดา่าหรือเกิดความคิดลบหลู่ครูอาจารย์ขึ้นมาชั่วแวบในหัวจะเป็นบาปเป็นกรรมแค่ไหนอย่างนี้เพียงทราบกฎของเกมกรรมให้ดีก็จะสบายใจได้เพราะการเกิดสติเท่าทันความคิดชั่วร้ายได้นั้นจิตเป็นมหากุสลด้วยซ้าสิ่งที่สะท้อนชัดคือจิตใจโดยรวมจะดีขึ้นเรื่อยๆ สุขสว่างขึ้นเรื่อยๆขออย่างเดียวอย่าพะวงหรือกลัดกลุ้มกับความคิดชั่วร้ายที่เกิดขึ้นระลึกให้แม่นยำว่าถ้าน้ำหนักเจตนาไม่แรงบาปก็ไม่มากและถ้ายิ่งเกิดสติเท่าทันความคิดชั่วร้ายได้เดี๋ยวนั้นก็จะพลิกจากอากุศลเป็นมหากุศลทันที